เจ้าชายและเด็กสาวผู้ซื่อสัตย์นี่คือเรื่องราวของเจ้าชายคลาเรียนผู้รูปงามและชาญฉลาดพ่อของเขาราชาภูมิใจในตัวของเขามากและปรึกษาเรื่องสำคัญในอาณาจักรกับเขาเสมอวันนี้มีสองเรื่องสำคัญที่ต้องตัดสินที่จะทำทำไมเจ้าไม่แต่งงานกับ น, าน้างนางไปถึงลูกสาวราชาผูุ้รกอานาจท่านพ่อ ถ้าไม่แต่งงานกับใครเพียงเพราะนาคนนัเป็นเจ้าหญิงหรอกนะถ้างั้นจะมองหาภรรยาที่มีคุณสมบัติแบบไหนคนที่มีคุณสมบัติสามารถฝากความเชื่อใจได้ในทุกเรื่องคนที่มีคุณสมบัติฝากความเชื่อใจได้ในทุกเรื่องนั่นเหรอฟาบาดทานรัฐมนตรีต้องการเข้าพบขอรับให้เขาเข้ามา ทำไมเจ้าถึงอยา ก, กเกษียณล่ะเจ้าไป็นรัฐมนตรีมาตั้งแต่ยุคพ่อขา้าลูกพ่อบอกพ่อหน่อยสิว่าเราจะหาชายที่มีความรู้และทุ่มเทอย่างเขาได้ที่ไหนกันล่ะท่านพ่อข้าไดเรียนรู้จากความรู้และความทุ่มเททั้งหมดของเขาแล้วนั่นทําให้รู้ว่าสิ่งดีๆทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณสมบัติหนึ่งอย่างคุณสมบัติที่สําคัญกว่าทุกสิ่งแล้วลักษณะที่ลูกกําลังพูดถึงคืออะไร ข้ามีแผนเจ้าชายให้คำปรึกษาแก่ราชาและรัฐมนตรีก็เสนอแนวคิดในการเลือกรัฐมนตรีคนใหม่ที่มีความสามารถแก่อนาจักดังนั้นการประกาศได้ถูกประกาศออกไปในวันรุ่งขึ้นท่านรัฐมนตรีผู้ทรงเกียรติะกสียนแล้วฝ่าบาทจึงเชิญชวนให้ผู้ใดก็าตามที่ต้องการเป็นรัฐมนตรีคนใหม่เข้ามาร่วมสมัคร ที่พระราชวังสองวันนับจากวันนี้ฟาบาทของเรามีบททดสอบสำหรับคนที่สมัครเข้าร่วมราชาคิดอะไรอยู่นะก่อนจะเป็นรัฐมนตรีไม่เฉลิงไยต้องมีความทุ่มเทและมีความรู้มากมายเลยมากกว่าความรู้และความทุ่มเทในการเป็นรัฐมนตรีก็คือต้องมีความรักต่ออาณาจักรและประชาชนต้องมีความรักของพ่อและความยุติธรรมของผู้พิพากษา และทั้งหมดนี่มาจากคุณสมบัติข้อเดียวเทียร่าถ้าเจ้าคิดว่าเจ้ารู้ดีอย่างนั้นทำไมไม่ไปสมัครเป็นรัฐมนตรีซะเองและเทียร่าได้ไปเข้าร่วมการสมัครสังวนจากนั้นเธอมาที่พระราชวังพร้อมกับอีกสิบคนเจ้าชายพูดกับพวกเขาทั้งหมดข้าพูดกับพวกเจ้าในนามตัวแทนของพ่อค้า พูกเจ้าทั้งหมดตากเห็นพร้อมกันว่าการจะเป็นรัฐมนตรีต้องใช้ความทุ่งเทและความรู้อย่างมากมายแต่เนื้อสิ่งอื่นใดมันต้องใช้ความรักต่ออาณาจักรและประชาชนมันต้องมีความรักของพ่อและความยุติธรรมของผู้พิพากษาดังนั้นฟาบาดมีบททดสอบให้พวกเจ้านี่คือตะกร้าข้าวโพดและเมล็ดถั่วเก็บเมล็ดพวกนี้เอาไว้พวกเจ้าจะได้รับแปลงในพระราชวัง เพื่อใช้ปลูกเมล็ดเหล่านี้ให้โตขึ้นอย่างแข็งแรงพวกเจ้าจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีความช่วยเหลือใดวิธีจะทําได้คือไปที่แปลงของเจ้าและใช้ความทุ่มเทและความรักปลูกพวกมันเมื่อถึงสิ้นเดือนพวกเราก็จะเลือกแปลงที่ดีที่สุดและแน่นอนบุคคลที่เป็นเจ้าของแปลงนั้นจะได้เป็นรัฐมนตรีคนต่อไป ดังนั้นผู้เข้าร่วมสมัครจะเป็นรัฐมนตรีทุกคนจะไปที่แปลงของพวกเขาและดูแลมันอย่างดี้าในหนึ่งสัปดาห์ต้นไม้ของพวกเขาก็เริ่มโตยกเว้นแปลงหนึ่งแปลงของเทียราทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นในแปลงของข้าเลยข้าทำอะไรผิดไปหรือเปล่านะเทียราพยายามอย่างดีที่สุดจนกระทั่งหนึ่งเดือนผ่านไปในที่สุดวันแห่งการเลือกก็ได้มาถึง แปลงทุกแปลงดูสวยงามและแข็งแรงยกเว้นของเทียรา่ามันไม่มีสัญญาณว่าพืชจะเกิดขึ้นเลยเจ้าชายและราชามาถึงพวกเขาดูแปลงทุกแปลงจนกระทั่งมาถึงแปลงของเทียรา่าโอ้ไม่มีมัจนาเดียวเลยอย่างนั้นขออภัยด้วยเพคค้าฝาบาทข้าพยายามอย่างดีที่สุดแล้วแต่ข้าปลูกอะไรไม่ขึ้นเลย ราชาและเจ้าชายเดินออกไปโดยไม่พูดอะไรและเวลาประกาศผู้ชนะก็มาถึงในานามของฝ่าบาดข้าขอประกาศผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้รัฐมนตรีคนต่อไปก็คือเทียร่าแคมเบลก่อนที่พวกเจ้าจะได้รับมเมล็ดพันนี้ข้าเคยพูดไว้ก่อนแล้วการจะเป็นรัฐมนตรีได้ต้องทำงานหนักและมีความรู้ แต่สิ่งหนึ่งที่ข้ามาได้บอกทุกคนคือคุณสมบัติเหล่านี้จะมาจากคุณสมบัติเพียงข้อเดียวนั่นคือความซื่อสัตย์เพราะบุคคลที่ไม่มีความซื่อสัตย์จะไม่สามารถอุทิศตนให้ความรักอย่างแท้จริงและไม่สามารถให้ความยุติธรรมกับคนอื่นๆได้เมล็ดที่ข้ามอบให้พวกเจ้านะ่ะตายหมดแล้วพวกมันไม่สามารถแตกหน่อนหรื อ, อยังรากได้หรอต้นไม้ของพวกเจ้าแข็งแรงและสวยงามแสดงให้เห็นว่า พวกเจ้าเพียงทำเพื่อให้ฝ่าบาทประทับใจและมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ทำงานนี้ด้วยความซื่อสัตย์และเที่ยงตรงอย่างแท้จริงนั่นก็คือเทียร่ามาอยู่ที่ทำเลยยังไงเพื่อของเราก็สวยงามและแข็งแรงนะใช่ใช่แล้ว ขออภัยด้วยไปค้าฝ่าบาทแต่ที่พวกเราไม่เห็นต้นไม้ใดเกิดขึ้นที่สวนของพวกเราเราก็เลยคิดว่าจะมีอะไรผิดพลาดไปจึงเอามาเล็ดอันใหม่มาเทียร่านะ่เป็นคนเดียวที่ยังเสี่ยงจะทำต่อไปโดยไม่กลัวความล้มเหลวนางสมควรแล้วที่จะได้แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีเพคะใช่เทียร่าสมควรจะเป็นรัฐมนตรีไดเ็รัฐมนเดีแล้วเทียร่าเป็นคียรี่สมควรได้เป็นรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีข้ามีเรื่องสำคัญที่อยากจะขอปรึกษากับท่านหน่อยท่านพ่อของข้าน่ะต้องการให้ข้าแต่งงานกับท่านท่านะจะยอมรับให้ข้าเป็นสามีหรือไม่ข้าแทบไม่รู้จักท่านเลยฝ่าบาทและข้าคงไม่แต่งงานกับใครเพียงเพราะเขาเป็นเจ้าชายหรอกเพคะนั่นเป็นสิ่งที่ข้าเพิ่งพูดกับท่านพ่อไป ข้าก็มาแต่งงานกับใครเพียงเพราะเขาเป็นเจ้าหญิงหรอกนะก็อย่างที่พวกคุณอาจจะคาดเดาได้เจ้าชายและเทียรานั้นคล้ายกันพวกเขามีความคิดเหมือนกันและให้คุณค่าความซื่อสัตย์เหนือสิ่งอื่นใดดังนั้นพวกเขาจึงเคารพซึ่งกันและกันและกลายเป็นเพื่อนสนิทกันในที่สุด